hmm ต่อมาหรือว่าข้างหลังของญาติโ ย, ยมก็คือกุฏิของหลวงพ่อกุฏินี้นะก็เป็นที่ที่หลวงพ่อได้ใช้รักษาตัวในยามที่อาพาธตั้งแต่ปี49และสุดท้ายท่านก็มรณภาพที่กุฏิหลังนี้นะประมาณตี5ของวันที่23สิงหา2ปีที่แล้ว เมื่อเรามาถึงตรงนี้เนี่ยก็อย่าเพียงแต่ว่าเห็นตัวอาคารแต่ว่าให้มองลึกเข้าไปถึงตอนที่หลวงพ่ออาพาธรวมถึงเวลาสุดท้ายของท่านที่สิ้นลมอย่างสงบทั้งนี้เพื่ออะไรนก็เพื่อเตือนใจเรา ถึงความจริงของชีวิตว่าสุดท้ายคนเราไม่เพียงแต่จะต้องแก่ตัวลงไปแต่ก็จะต้องเจ็บป่วยและสุดท้ายก็ต้องละโลกนี้ไปพูดง่ายๆคือว่าตายให้มองกุตินี้เพื่อที่จะมาเตือนใจ เราถึงความจริงของชีวิตที่ไม่อาจหนีพ้นได้ตรงนี้แหละที่เ้าเรียกว่าทุกข์นะที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เพราะว่าสังขารเป็นตัวทุกข์แต่ว่ามองเท่านี้ยังไม่พอนะแม้จะมีประโยชน์แต่ก็อาจทำให้หดหู่ได้ ให้มองต่อไปว่าแม้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันก็มีวิธีที่จะป่วยโดยไม่ทุกข์แล้วก็ตายโดยไม่ทุกข์ได้อันนี้หมายถึงความไม่ทุกข์ทางใจนะซึ่งหลวงพ่อก็ได้แสดงให้เป็นแบบอย่างกับพวกเรา เมื่อวานนี้หรือเมื่อค่ำที่ผ่านมาหลายท่านก็พูดถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของท่านการทำงานของท่านในยามที่เป็นปกติซึ่งท่านก็ได้แสดงให้เราเห็นว่าคนเราควรจะอยู่อย่างไรแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะ ของความจริงนอกจากจะอยู่อย่างไรแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าถึงป่วยเราจะป่วยอย่างไรและเมื่อตายเราจะตายอย่างไรนะความป่วยความตายเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแต่ว่าเราสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะป่วยอย่างไรหรือตายอย่างไร ซึ่งคําตอบเนี่ยก็หลวงพ่อก็ได้ทําให้เราดูนะอยู่ให้เราเห็นในยามที่ท่านป่วยนะท่านก็ไม่ได้ทุรนทุรายถามว่าเจ็บไหมถามว่าปวดไหมมีร้อยเปอร์เซ็นตะ์ท่านเคยบอกหมอหมอถามท่าน ว่าปวดบ้างไหมท่านก็บอกว่าไม่มีตรงไหนที่ไม่ปวดนะแต่ว่าใจท่านไม่ได้ทุกเลยตอนที่ท่านปวดป่วยครั้งแรกเนี่ยปี49เเนี่ยหมอพบว่ามันมีเนื้ออยู่ในตับอ่อนไม่รู้อะไรเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายหมอก็ทดสอบกด ตรงที่ท้องท่านแล้วก็ถามท่านว่าปวดไหมท่านบอกปวดร้อยเปอร์เซนเลยพบยลสงสัยก็เลยถามว่าปวดแล้วทาไมไม่ร้องท่านก็ตอบ่อปวดแล้วจะร้องทำไมให้ขาดทุนนะหรือผู้ยันนั่นก็คือว่าปวดแล้วจะร้องทำไมให้ให้ซ้ำเติมตัวเองปวดกายเนี่ยมันก็มันก็พอแรงอยู่แล้วนะ ทำไมจต้องปล่อยใจให้ปวดด้วยนั้นเมื่อปวดเนี่ยเมื่อกดก็ปวดนะแต่ว่าใจก็ไม่ได้ทุกข์หรือไม่ได้ปล่อยใจะให้พลัดเข้าไปในความปวดในความทุกข์หรือว่าไม่เผลอให้ใจเนี่ยไปยึดเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของกูเนะพราะถ้ากูปวดเมื่อไหร่ใจมันก็ต้อง ย่าแย่ตามไปด้วยคุณพ่อท่านเขียนในบันทึกนะเพราะว่าในช่วง 6-7 เดือนสุดท้ายนี้ท่านพูดไม่ได้เพราะว่ามีการเจาะที่คอท่านก็เขียนนะว่าเวลานีนะ้อยู่อย่างปล่อยวาง แล้วก็เขียนเพิ่มว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนี้เป็นคำตอบเลยนะว่าเมื่อถึงคราวที่เราต้องล้มป่วยเนี่ยการอยู่อย่างปล่อยวางนี่แหละที่จะช่วยทำให้อยู่กับทุกขเวทนาได้ ปล่อยวางอะไรปล่อยวางร่างกายนี้นะว่าไม่ใช่ของเราไม่เป็นอะไรกับอะไรความหมายนคือว่าไม่รู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของร่างกายนี้เพราะถ้าไปยึดไปสำคัญมั่นหมายว่าร่างกายนี้เป็นของเราหรือเป็นของกูเนี่ยมันก็จะทุกข์มากเลยเมื่อพบว่ามันไม่เป็นไปตามใจหวังปล่อยวางอะไรปล่อยวางเวทนาปล่อยวางทุกขเวทนา อันนี้ก็ขยายความว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือไม่เป็นผู้ทุกข์ผู้เจ็ผู้ปวดหรือว่าไม่ไปเป็นเจ้าของความปวดกายปวดแต่ปวดแน่นะแต่ว่าไม่ได้ยึดว่าความปวดนั้นเป็นของกูนะคือไม่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของอาการที่เกิดกับกายโดยเพราะทุกขเวทนา นอกจากไม่เป็นเจ้าข้าเจ้าของทุกขเวทนาแล้วก็ยังไม่เป็นปฏิปักษ์กับทุกขเวทนานั้ด้วยคือมันมีก็มีไปนะไม่ได้รู้สึกรังเกตเดียดชั้นหรือว่าผลักสายกดข่มเพราะว่าถ้าไปผลักสายกดข่มหรือต่อต้านมันมันก็เผลอพลัดเข้าไปในทุกขเวทนาอีกเหมือนกัน ทุกขเวทนานี้ถ้ายึดมันนะมันก็เป็นผู้ทุกข์ก็ปวดนะกูปวดแต่ถ้าผักสายมันท่าน้ที่ไม่ชอบมันแต่ก็เผลอหลุดพลัดเข้าไปนะในทุกขเวทนา น, นั้นไม่ว่าตามเอาไม่ว่ายึดหรือผักไสเนี่ยมันก็หลงเหมือนกันนะมันไม่ใช่รู้นะ หลวงพ่อท่านได้พูดยำ้ำซึ่งเมื่อเช้ากับเมื่อวานก็ได้พูดไปนะว่าเราต้องขยันรู้นะขยันรู้ไม่ใช่ชอบหลงนะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ขยันรู้หรือฝ่ายรู้แต่ว่าชอบหลงหลงด้วยทั้งในความหมายที่ไปยึดมันว่าเป็นของเราหรือว่ายึะว่าเป็นเราคือตามมันไปหรือไม่ก็ ต้านมันหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ทำทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ก็อยู่ได้แม้ว่าจะมีทุกขเวทนาบีบคั้นนะเรียกว่าอยู่กับทุกขเวทนาได้อย่างสันตินะคืออยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่กายก็ส่วนกายนะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วย อยุยายนนีคือวกายป่วยนะแต่ว่าใจไม่ป่วยอันนี้มันเป็นมันเป็นวิชาหนึ่งนะที่เราควรจะรู้โดยเพราะมาเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยต้องมีวิชานี้นะวิชาที่จะรักษาใจไม่ให้ป่วยแม้ว่ากายจะป่วยก็ตามอันนี้นะมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นคำสอนของพุทธเจ้า ที่ได้เคยแนะนำอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่านากูลบิดาซึ่งเป็นอุบาสกที่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์นกูลบิดาก็ป่วยหนักเนี่ยครูเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านพึงสำเนียกว่าแม้กายป่วยอย่าให้ใจป่วยนกูลบิดาฟังก็มีความปราบปื้มหน้าตาก็ผ่องใสจนพระสัทบริบูรก็ซักถาม ทักถามว่าทําไมหน้าตาท่านแจ่มใส mm hmm. แล้วกุนบิดาก็เล่าว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาเยี่ยมลําโปรดแล้วก็พูดประโยค น, นี้แหละแต่ mm hmm. แล้วกุนบิดาก็ถามผู้เจ้าต่อไปว่าแล้วถามพระารยบุตรว่ากายป่วยและใจไม่ป่วยได้อย่างไร mm hmm. พระาศยบุตรก็ขยายความหรืออธิบายว่าเมื่อใดไม่สําคัญบรนหมายว่ารูปเป็นของเราหรือกายเป็นของเรา เมื่อรูปแปลปรวนนะก็คือเจ็บหรือป่วยเนี่ยก็ไม่มีความโศกความร่ำไรลาพันไม่มีทุกข์ไม่มีโทมนัสไม่มีความคับแฉนใจอย่างนี้แหละเรียกว่ากายป่วยใจไม่ป่วยไม่ยึดว่ารูปเป็นของเราก็คือปล่อยวางนั่นเองไม่ยึดว่ารูปเป็นเราก็คือความหมายในคำ ว, ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับ อาการที่เกิดกับกายและใจหรือสิ่งที่เกิดกับกายและใจไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นเจ้าของไม่เป็นปฏิปกกักษกรมมันไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะหลวงพ่อท่านก็สู่ว่าอ ย, อยู่ด้วยความปล่อยวางอยู่ด้วยการปล่อยวางนะท่านก็ใช้นะความรู้ไม่ใช่ความรู้ทางโลกแต่เป็นความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตนะก็ทําให้ท่านสามารถที่จะ อยู่กับความเจ็บป่วยได้ท่านเคยเขียนไว้นะในช่วงไล่ๆกันว่าเนี่ยว่าธาตุขันเนี่ยตอนนี้มันเหมือนลอกก้อเกวียนที่ชำรุดไม่สามารถจะรักษาให้คืนดีได้ก็เลยอยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรนะคือ ท่านยอมรับความจริงนะยอมรับว่าป่วยครั้งนี้หนักมากแล้วก็ก็คงจะรักษาไม่ได้นะแต่ก็ไม่ทุกร้อนอะไรอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นความหวังให้กับเรานะว่าจริงอยู่แม้คนเราต้องต้องเจ็บต้องป่วยนะแล้วที่สุดก็ต้องตายแต่ว่าไม่จาเป็นต้องทุกข์ใจ ในคราวที่เจ็บในคราวเมื่อถึงคราวที่ต้องเจ็บต้องป่วยแล้วก็ต้องตายมันมีทางออกมีคำเฉลยเพราะฉะนั้นี้เมื่อเรามามามาถึงนี่แล้วเนี่ยนะนอกจากได้เตือนต้นเห็นถึงความจริงของชีวิตซึ่งหลวงพ่อได้ประสบแล้วเนี่ยก็ให้เราได้ มองเห็นว่านอกจากทุกข์แล้วเนี่ยนะทางออกจากทุกข์มันก็มีอยู่แล้วมืาถึงวเวลาที่ท่านจะสิ้นลมนะท่านก็ไม่ได้ทุรนทุลายแม้ว่าทุกขเวทนาจะบีบคั้นแม้ว่าการหายใจจะติดขัดธรรมดาคนเราถ้าหายใจไม่ออกนี่มันก็ทรมานมากนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทุรนทุลายอะไร แล้วก็ยอมรับความจริงได้ถึงบอกถึงเขียนเป็นข้อความสั้นๆให้กับพระลูกศิษย์ที่กำลังมารุมมาตุ้มท่านเพื่อช่วยเหลือท่านว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายนะก็คือว่าให้นะธาตุขันมันเสื่อมสลายไปแต่ว่าไปแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าท่านไม่มีความสำคัญมั่นหมายด้วยซ้ำว่า ฉันกำลังตายเรียกว่าในภาวะหน้าซอหน้าขวา น, นั้นเนี่ยเมื่อตีห้าของวันนี้เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมันมีความตายก็จริงแต่ว่ามันไม่มีผู้ตายจะไหวไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านตายมาก่อนหน้านั้นแล้วนะตายมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ไม่ใช่เป็นการตายทางกายแต่เป็นการตาย ที่เรียกว่าการแต่ดักของภพชาติอันเนี้ยที่หลวงพ่อพุทธทาสทมบตายก่อนตายเนี่ยตายก่อนตายหมายความว่าตายตัวแรกคือว่าตัวตนมันตายหรือว่าความยึดมันสําคัญหมายว่าวาตัวกูมันตายก่อนที่จะหมดลมหรือหัวใจหยุดเต้ น, นท่านก็หลวงอาจารย์พุทธาก็สอนว่าให้นะให้ฝึกไว้นะตายก่อนตายนี่แหละ แต่ามาก็เชื่อว่าหลวงพ่อท่านตายไปตายก่อนตายไปแล้วนะท่านตายสองครั้งนะครั้งสุดท้ายเป็นการแตกดับทางกายแต่ว่าส่วนการแตกดับของภพชาติคือไม่มีภพชาติเนี่ยไม่มีความสำคัญแม้แตว่าเป็นนัตเป็นนี่หรือว่าไม่มีความเป็นตัวกูเนี่ยมันมันหมดไปมันดับไปก่อนหน้านั้นนานแล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็น เป็นวิธีการในการเอาชนะความตายได้คือมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายอันนี้มันก็เป็นวิชาชีวิตขั้นสูงสุดนะหรือว่าขั้นสําคัญนะที่พวกเราควรจะเรียนรู้โดยเอาหลวงพ่อหรือวิธีการที่ท่านสอนนะมาเป็นแนวทางและแบบอย่างเมื่อครั้งที่หลวงปู่ดุลท่านไปเยี่ยมพระที่เป็นลูกศิษย์ นะซึ่งใกล้จะตายเป็ น, ปนที่โรงพยาบาลหลวงปู่ดูลท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อวันนี้แหละนะก็เพื่อที่จะรับมือกับความตายเพราะว่าจะบ้าไปแล้วความตายมันก็คือบทคือการสอบไล่ครั้งสุดท้ายนะสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ย เรียกว่าเป็นการเรียนเพื่อที่จะเตรียมสอบไล่ครั้งสุดท้ายการสอบไล่นี้เป็นการสอบครั้งสุดท้ายของวิชาชีวิตนะวิชาทางโลกมันจบไปหลายคนอาจจะจบไปนานแล้วไม่มีการสอบอีกแล้วนะแต่วิชาชีวิตเนี่ยมันต้องมีการสอบและการสอบครั้งสุดท้ายนะเป็นการสอบไล่ ซึ่งไม่มีใครหนีพ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่อาจจะมาพรุ่งนี้มาลืนนี้ก็ได้นะชีวิตเนี่ยมันมีขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้วิชานี้เพื่อจะเอาไปสอบไล่นะก็คือเอาไปใช้นะในเวลาที่กำลังจะตายมันเป็นวิชาที่ ไม่ได้เรียนในห้องเรียนไม่มีการให้คะแนนมันเป็นวิชาที่ต้องเรียนเอาเองและมันแม้จะมีตำรามีคำพีแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นถามตัวเราเองว่าเราพร้อมหรือยังนะหากว่าการสอบไล่จะมาถึงเราวันนี้วันพรุ่งอ่ะ เราคิดว่าเรามีความรู้แน่นพอหรื อ, อยังหรือบางคนอาจคิดว่าไม่เคยนึกเลยว่าน้าว่ามันจะมีการสอบไล่อยู่นะเนี่ยแล้วไม่เคยคิดแล้วว่าไอ้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะมีขึ้นเพื่อให้เราได้เตรียมสอบมีขึ้นเพื่อเราได้ฝึกปรือเก็บเกี่ยวเรียนรู้วิชาชีวิตนะซึ่งจะต้องมีการสอบ และการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยให้เราลึกว่ามันก็เป็นไปเพื่อเพื่อวันนั้นแหละซึ่งจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล่ถ้ามาถึงเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็ต้องปล่อยวางอย่างเดียวเพราะถ้าไม่ปล่อยวางนะก็ตายไม่สงบไม่ปล่อยวางเพราะยังยังห่วงลูกห่วงหลาน ยังห่วงทรัพย์สมบัติยังห่วงงานการหรือว่าไม่ปล่อยวางเพราะว่ายังเก็บความโกรธเอาไว้นะยังมีความรู้สึกพยาบาทคนบางคนหรือมีความรู้สึกผิดติดค้างใจนะคนเราเนี่ยยึดติดอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา เช่นลูกคนรักพ่อแม่ทรัพย์สมบัติงานการชื่อเสียงกิตติยศนะสองสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเก่งความโกรธความเศร้าความเพียรบความรู้สึกผิดไอ้ยุติดอันแรกนี่พอเข้าใจนะน่าจะเข้าใจได้เออมันให้ความสุขกับเราเราก็เลยยึดเอาไว้พอถ้าไม่มีมันเมื่อไหร่เราช่วตเราก็ห่อเหี่ยว อแต่อย่างที่สองนี่มันน้าหน้าแปลงว่าทาไมคนเรายึดในเมื่อมันให้ความทุกข์กับเรามันทําความทุกข์ให้กับเราเช่นความโกรธความเศร้าความรู้สึกผิดแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังยึดเอาไว้ดงนั้นต้องฝึกนะปล่อยวางแล้วก็อย่าไปปล่อยวางอย่าไปคิดปล่อยวางเอาตอนจะตายเพราะก่อนจะตายเนี่ยมันจะทรมาน เดี๋ยไปคิดปล่อยวางเตอนที่เจ็บป่วยเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเรื่อวไม่มีแรงนะที่จะที่จะปล่อยฉะวางหรือที่จะมีปัญญาปล่อยวางได้หรือสติปล่อยวางได้เพราะธรรมชาติคนเรานะั้นในยามที่กําลังวัง้าอ่อนแรงนะโดยเพราในเช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยขณะที่กําลังวังชาอ่อนแรงลงแต่ว่ากิเลสกลับมีกําลังมากขึ้น คนที่คนที่มักโกรธเนี่ยตอนที่ปกติสุขเนี่ยยังพอจะกดข่มความโกรธได้แต่พอเรี่ยวแรงมันหมดไปพอเจ็บป่วยเนี่ยโอยความโกรธนี่มันเข้ามาครอบงามเต็มหัวจิตหัวใจเลยคนที่งกคนที่ตนหนีเนี่ยนะตอนสุขภาพดีเนี่ยพอจะคุมมันได้แต่พอพอเจ็บป่วยเนี่ยยิ่งกำลังวังชาอ่อนแรงมัธย์ไหกิเลสย่อมมีอำนาจมาเท่านั้น มันเป็นปฏิกิริยาผกผันกันถึงตอนนั้นก็เอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้นะแล้วการฝึกก็ฝึกจากการเจริญสตินี่แหละเพราะสติเนี่ยนะนการเจริญสติคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยที่จะวางปล่อยวางเพราะเห็นปล่อยวางเพราะรู้ทันเพราะถ้าเผลอเพราะถ้าไม่รู้ เพราะถ้าหลงมันก็จะเข้าไปยึดหรือว่าสร้างตัวตนขึ้นมานะอย่างที่อาจารย์โนธได้พูดเมื่อเมื่อคืนนี้ไม่มีสติเมื่อไหร่มันก็ปรุงตัวตนขึ้นมานะแล้วก็เป็นเจ้าของเจ้าของนั่นเจ้าของนี่เป็นอะไรต่ออะไรมากมายเป็นอะไรกับอะไรมากมายก็เพราะความไม่มีสติอาการจริญสติหรือการพาวนาะถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็คือการ ปล่อยวางหลวงพ่อคำนก่นเคยพูดว่านะการภาวนาทั้งหมดเนี่ยนะก็คือการปล่อยวางทางจิตการปล่อยวางหัวใจกรรมฐานแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปยึดติดอยู่กับการสร้างจังหวะนะอันนั้นมาเป็นรูปแบบที่ช่วยให้รู้เห็นไม่เข้าไปเป็นช่วยให้ดูไม่เข้าไปอยู่ ก็คือช่วยให้ละให้วางได้นันเงเพราะถ้าดูมันมันก็ออไม่เข้าไปยึดถ้าเห็นมันนะมันก็วางในการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยมันก็จุดหมายคือการปล่อยวางแต่ว่าถ้าทำไม่เป็นมันก็เข้าไปยึดนะอยากได้อยากเอาจริงจริงมันไม่ใช่แค่การเจริญสติเท่านั้นนะการ ทำความดีอย่างอื่นเช่นทานศีล น, นะจุดหมายสำคัญคือการปล่อยวางทานมีขึ้นเพื่อลดความตนหนีศีลมีขึ้นเพื่อคุมแล้วก็ลดละความโรคความโกรธความหลงนะแต่ถ้าหากว่าให้ทานไม่เป็นมันก็จะมีความโลภมากขึ้นอยากได้โน่นอยากได้นี่ ให้สิอยากได้ร้อยให้ร้อยอยากได้ล้านนะอยากได้โชคอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายเช่นถูกหวยรวยเบอร์เสียเงเหมือนกันนะถ้าหากว่าทําไม่ถูกนะมันก็เกิดการยกตนข่มท่านสําคัญไม่มาเป็นคนฉันเป็นคนดีเกิดความยุติธรรในตัวตนสูงหรือว่าจะทําดีก็ต้องประกาศจะไปปฏิบัติธรรมก็ต้องถ่ายรูปอัพ ทาง Facebook เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าไอ้กูมาปฏิบัติธรรมนัว่ว้ยนะหรือว่ากูม า, าให้ทานรักษาศีลนัว่ว้ยนะอันนี้มันก็ทำให้เกิดความยึดติดในตัวตนมากขึ้นเราจะทำดีโดยที่ไม่ประกาศได้ไหมไม่ว่าจะเป็นการให้ทานนะไม่ต้องระบุชื่อไม่ต้องเขียนชื่อในสิ่งที่ถวายไม่ว่าจะเป็นจาน โต๊ะเก้าอี้เวลาทำความดีก็ไม่ต้องสนใจว่าใครจะรู้หรือไม่แล้วก็ไม่อวดด้วยแล้วเนี่ยเร า, าเรามาเรามาเรามาถึงตรงนี้แล้วนะก็ขอให้ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อและสิ่งที่ท่านได้ทำรับมือกับกับความเจ็บความป่วยความตายเนี่ย ให้เป็นประโยชน์เมื่อเสร็จเมื่อเสร็จจากกิจกรรมตรงนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราได้เข้าไปไปที่กุฏิหลวงพ่อซึ่งตอนนี้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างรักษาสภาพของวันสุดท้ายที่หลวงพ่ออยู่ที่นั่นได้นะตามสมควรไปแล้วก็พิจารณาน้มเข้ามาน้มเข้ามาสู่ตัวเราว่าสักวันหนึ่ง เราก็ต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนหลวงพ่อและขณะเดียวกันก็ตั้งตั้งตั้งจิตปณิธานว่าเออนะเราอยากให้การเจ็บการป่วยและการตายของเราเนี่ยนะเป็นอย่างหลวงพ่อจะพยายามที่จะทําให้เมือ่อใครจะต้องเจ็บต้องป่วยหรือต้องตายเนี่ยก็จ ะ, ะไม่ทุกข์ใจ จริงๆแล้วคนเราเนี่ยเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยแต่และคนไม่เหมือนกันเวลาตายก็ตายไม่เหมือนกันนะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตายอย่างหลว ง, ง, งพ่อแต่ว่าหากว่าเราจะตายด้วยด้วยแบบของเราเองเนี่ยมันก็ต้องเป็นการตายที่ที่งดงามนะไม่ทุรนทุรายเป็นการตายอย่างสงบเป็นการตายที่เหมือนกับคนที่มีความพร้อมที่จะสอบไล่ เพราะว่าได้เตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วตลอดเวลาที่มีความปกติสุขก็ไม่ประมาทนะศึกษาวิชาชีวิตนะภาวนาให้เกิดนะความเข้าใจในศัจธรรมอย่างต่อนเนื่องเสมอมาอันนี้แหละก็จะทำให้น ะ, ะการมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทำ อาจจะได้บูชากับหลวงพ่อนะมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเองก็คงจะนะพูดแต่เพียงเท่านี้